อันดาของลีลาวดีก็บอกว่ายังไม่รู้นิสัยใจคอของท่านดีพอจึงยังให้คําตอบไม่ได้จนกว่าจนกว่าอะไรท่านฟังจนกว่าจะรู้นิสัยใจคอของท่านใดดีดแล้ะข้าพเจ้าจะทํายังไงเนี่ยช่วยแนะนํำข้าพเจ้าหน่อยสิข้าพเจ้าร้อนใจเป็นบ้าอยู่แล้วนะเนี่ยใจเย็นๆตัวธนนะเรื่องนี้ไม่อยากหรอกนั่นสิ ไม่ยากไม่ใช่ทำยังไงท่านก็ไปพบนางพรามณีและลีลาวดีบ่อยๆจะได้สนิทคุ้นเคยนี่แหละจะทำให้ทางโน้นน่ะเขาเห็นใจดีอ่ะข้าพเจ้าไปพบลีลาวดีขอให้โชคดี จะไปไหนลีลาวดีไปนั่งเล่นที่สาลหลังบ้านทําไมเจ้าถึงชอบไปที่นั่นนะเห็นไปนั่งได้อยู่ทุกวันทุกวนันที่ตรงนั้นสบายดีดาวโกมุตที่บานสะพรั่งในสระลานหินร่มเย็นภายใต้เงาอาโศกทําให้ข้าพเจ้าเป็นสุขใจทุกวันนี้เพราะเลวะตะใช่ไหมล่ะทําให้เจ้าไม่เป็นสุขใจ ความวุ่นวายมีข้าราชการได้เป็นอย่างดีแม่ถามก็บอกว่าตรงนี้สบายดีดาวโกมุที่บานสะพังสุนิสะลานสนอันร่มเย็นทําให้เป็นสุขใจขึ้นบ้างแต่ความจริงแล้วเท่าที่มันนั่งที่นี้ก็เพื่อสู่บรรยากาศอันอบ อ, อุ่นแต่อดีตเมื่อสิบปีกว่าที่ผ่านมาตรงนี้เคยเป็นที่อยู่ของเ ว, วสต้ายอดชีวิต เป็นจุดที่ได้พวกับเขาถึงครั้งแรกฝูงปลาแหวกว่ายไปมาในน้ำใสหมู่พมลบินควเข้าเกศรโกมุสเกรวัตตจึงคิดถึงเธอวิลาวดีเอ๊ะท่านบุญใครข้าพเจ้าสุวัฒนะสุวัฒนะ ขออภัยที่มารบกวนความสงบสุขไม่เป็นไรข้าพเจ้าหมูแต่มองดูฝูงปลาและหมูพมอนเชิญไปจึงไม่รู้ว่าท่านมาท่านคงจะมาหามารดาถ้าเช่นนั้นขอเชิญที่ ข, าออข้าพระหัตข้าพเจ้าตั้งใจมาหาเธอเวลาปดีมารดาแนละข้าพเจ้าพบแล้วจึงรู้ว่าเธอในอยู่ที่นี่มารดาข้าพเจ้าบอกท่าน่ะสิถูกแล้วที่มีร่มเย็ยนดีนะ ข้าเจ้าชอบที่มีมากจะรังเกียจไหมข้าพเจ้าขอนั่งคุยด้วยสักคนเชิญท่านขอบคุณเมื่อกี้ท่านบอกว่าตั้งใจมาหาข้าพเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมใช่ข้าพเจ้าตั้งใจมาหาลีลาพอดีเพื่อที่จะก็ต้องขอบใจอุตส่าห์มาเยี่ยมไม่ใช่เยี่ยมอย่างเดียวมีเรื่องที่จะพูดด้วยท่ามีเรื่องอะไรเรื่องจากใจท่าน พิลาก็ดีเข้าไปเจ้าขอพูดจากใจจริงข้าไปเจ้าได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปศึกษามาแล้วหลายบ้านหลายเมืองได้พบสตรีเพศมามากแต่ไม่มีสตรีคนใดสามารถเอาชนะจิตใจข้าพเจ้าได้เหมือนเธอสวัฒนาคะฟังข้าพเจ้าสิที่ข้าพเจ้าพูดนี้เป็นความจริงไม่มีสตรีคนไหนเอาชนะใจข้าพเจ้าได้ แต่พอมาพบเธอครั้งแรกที่ประตูเทวาลวันนั้นข้าพาเจ้าก็หลกรักอย่างคลั่งคลายทันทีตั้งแต่วันนั้นมาข้าพาเจ้าก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะคิดถึงเธอบอกตรงๆว่าข้าพาเจ้าดีใจเหลือเกินที่ได้พบเธอวันนี้ดูปลานั่นสิว่ายมาเป็นฝูงปลาว่ายเป็นฝูงน่าตื่นเต้นอย่างที่เธอว่าแต่กุณาเดอย่าพิ่งตื่นเต้นกับมันเลย ละความสนใจจากปลาหันมาสนใจคำพูดข้าพเจ้าสักนิดข้าพเจ้าว่าจริงทีเดียวลีลาวดีเทพเจ้าเบื้องบนคงสร้างข้าพเจ้ามาเพื่อเป็นท่าจิตใจของเธอโดยเฉพาะในชีวิตนี้ข้าพเจ้าเห็นจะอยู่โดยปราศจากเธอไม่ได้เห็นใจข้าพเจ้าบ้างไหมลีลาวดีข้าพเจ้าอยากเห็นใจแต่ว่าแต่ว่าอะไรเราเพิ่งรู้จักกันในระยะเวลาอันสั้น ขอให้เราครบกันนี่นานกว่านี้สักหน่อยบางทีข้าพเจ้าอาจจะเห็นใจข่าเธอจะเห็นใจข้าพเจ้าอาจจะตายซะก่อน <B ling> ทำไมท่านจะต้องตายเพราะแรงรักนี่ทําให้ตาย ผมไม่ถึงขนาดนั้นรองสวัฒนะความรักมีอํานาจร้ายแรงสามารถฆ่าคนที่ผิดหวังได้ชนะลีลาวดีสตอาถถ้าอย่ง น, นบอกหน่อยชิว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้เธอเห็นใจเวลาที่ข้าไปจ้าเป็นทาสไปแล้วทั้งกายและใจท่านไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนอกจากคอยเวลาที่จะเป็นผู้ตัดสินเองลีลาวดีในโลกนี้มีคนเป็นอันมาก ที่ปากกับใจไม่ตรงกันแต่ข้าพเจ้าไม่ใช่คนประเภทนั้นข้าพเจ้าขอรับรองด้วยเกียตประกูลและอาจารย์ทิสาปามอกแห่งตักกะสิลาว่าคําพูดข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคําพูดที่มาจากความจริงใจจริงเหรอคะทําไมลําพังคําพูดข้าพเจ้ายังไม่เพียงพออีกแล้วฉันอยากจะเชื่อแต่ว่าอะไรนะสิลาพดี โบราณได้กล่าวเอาไว้ไม่ใช่เหรอว่าคำพูดของคู่ความในคดีนหนึ่งของพูดผู้มาเจรจาความเมืองหนึ่งของพ่อค้าผู้ขายสินค้าหนึ่งของชายหนุ่มที่กำลังรักหญิงสาวหนึ่งอย่าเพิ่งเชื่อให้มากเกินไปเอาเถอะแะเพื่อความพอใจของเธอข้าพเจ้าอยู่ดีจะคอยวันนี้ขอลากรวันหลัง เขาจะมาพบเรารู้สึกโล่งอกที่เขากลับไปได้จะได้หาความสุขจากการคิดถึงความหลังต่อไปโดยไม่มีใครรบกวนสายลมเย็นพัดบูบ ก, กรีบดอกโกมุกตกล้วงพูดลงไปลอยเป็นแรอยู่บนพื้นน้ำมันเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยของธรรมชาติถ้าไม่คิดถึงชีวิตตัวเองวันคืนผ่านไป ชีวิตก็ผ่านไปด้วยรูปล้างกำเนิดสวยงามก็นับวันแต่จะร่วงโรยไปในไม่ช้าก็จะถึงความแตกดับคือความตายดุดกรีบโกมุดที่ร่วงโรยลงสู่พื้นน้าดังปา่าตาโบราณกล่าวไว้ว่านารีดูจะงามก็เมื่อยามที่ยังเยาวแก่แล้วก็เสียเวเฉาบ่มีส่วนจะพึงชมดุ ด, ดดวงบุคคชาต งามวิลาชหน้าเด็ดดุ่มแรกบานก็งามสมแต่บ่อนานก็โรยรา คืนนี้ผ่านพ้นไปเป็นเวลานา น, านแล้วเธอให้ฉันคอยไปถึงไหนบอกให้ชื่นใจสักหน่อยอะไรกันพอเห็นหน้าก็พูดถึงเรื่องนั้นทันทีเลยเหรอข้าชวัฒนะเรื่องนี้เข้ามาฝังจิตฝังใจกลัดกลุ่งจะบอกไม่ถูกฉันเฝ้ารอคอยมานานพอแล้วแต่เธอยังไม่แสดงท่าทีว่าเห็นใจฉนเฉลยหรือว่าเธอมีคนอื่นอยู่ในหัวใจนะถ้กาก่อนนี้ เพีแต่แกล้งทร ม, มานใจฉันเล่นอี่กันใช่ไหมวิลาวดีพีดอะไรอย่างนั้นแกล้งเรื่องนสนุกนักเหรอคะไม่เลยนะสุวัรนะฉันไม่ได้แกล้นแต่เธอควรจะเห็นใจฉันบ้างแล้วฉันเห็นใจอะไรเธอเรื่องของเราเป็นเรื่องใหญ่ตกลงกันโดยขืนสันไม่ได้เพราะถ้าพลาดพลั้งลงไปแก้ไขอะไรอีกไม่ได้จะต้องระทมเตมใจไปตลอดชีวิตต้องอดทนหน่อยสิคะอึ่ ก็เพราะอดทนนี่นสิชีวิตของฉันจึงยืนยาวมาจนบนั่นถ้าขาดความอดทนฉันคงตายไปนานแะล้วฉันรู้นะเธอไม่ถือว่าฉันมีความสำคัญเธอเล่นกับความสุขของฉันแกล้งทรมานใจฉันเล่นสุกสนุกเท่านั้นไมมีความจริงใจเลยเธอคิดอย่างนั้นเหรอก็ไม่รู้จะคิดในรูปไหนถ้าจริงวลาที่ฉันพูดดูนั่นเป็นไร ดูอะไรเลยค่ะสุวัฒนะดูเธอสิเวลาบัดดิฉันทำไมฉันพูดด้วยเธอไม่สนใจกับทันเลยใครบอกว่าฉันไม่สนใจไม่ต้องมีใครบอกรเห็นอยู่แล้วฉันพูดแต่เธอกลับนั่งมองดูละลอกน้ํำในสระเฉยแทนที่จะมองดูฉันบางครั้งก็หยิบอดดอกอศโศสที่หล่นขึ้นมาขยีจนแหลกเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ปาลาลงไปในสระดูแล้ว เหมือนคนใจลอยจริงๆฮนะเธอพอจะจะดูฝูงปลาเล็กๆลุงเข้ามายื้อแย่งกินเหยื่อมากกว่าที่จะสนใจฉันเธอคิดมากไปเองยิ่งเธอจะพูดอะไรฉันคอยฟังอยู่แล้วตลอดเวลาเวลาพอดีช่วยฉันหน่อยเนะถอะเธอแคฉันช่วยอะไรบอกมาเถอช่วยทนะคนเรามักจะมองโทษของผู้อื่นแต่โทษตัวเองมักมองไม่ค่อยเจ็บ โปรดบอกฉันสิว่าฉันมีข้อบกพร่องอะไรบอกมาตรงตรงเลยไม่ต้องเกรงใจฉันยินดีรับฟังแล้วจะได้พิจารณาปรับปรุงตัวเองเธาไม่มีอะไรบกพร่องเลยไม่จริงะเธอไม่เชื่อที่ฉันพูดหรอพูดฉันจะฟังงั้นเธอต้องเชื่อเฮ hey, พอฉันจะพูดอยู่เดี๋ยวนี้จริงนะเธอไม่มีข้อบกพร่องอะไรพูดถึงตระกูล เธอก็เป็นตระกูลร า, า, าสาร์มหาศาลพูดถึงทรัพย์เธอก็มีเท่าชั้นหรือมากกว่าซะอีกพูดถึงวิชาความรู้เธอก็สําเร็จจากการศึกษามาจากสํานักทิศาปามกแห่งปากกศิลาพูดถึงเรื่องรูปสมบัติเธอก็ดีพร้อมเป็นที่ต้องตาพึงใจของหญิงสาวทั่วไปแต่มันไม่เป็นที่ต้องตาเธอเลย รูปสมบัติของฉันมันไม่เป็นที่ต้องตาเธอเลยใช่ไหมลีลาพอดีถึงจะรูปยังไงก็ต้องใจฉันทั้งนั้นเพราะฉันไม่เคยถือรูปสมบัติเป็นใหญ่ลาบยอดก็เหมือนกันรูปโฉมโหนพันุ์ก็เหมือนดอกไม้แต่ฉันถือคุณสมบัติเป็นใหญ่ใช่กันฉันก็มีคุณสมบัติใดๆเป็นที่พึงใจเธอเสียนะไม่ใช่เหตุนั้นหรกค่สวัฒนาไม่อะไรนะลีลาพอดี พรที่ฉันคบกับเธอมานานก็ได้พบคุณสมบัติของเธอหลายอย่างแต่คงไม่เท่านี้เธอจะต้องมีมากกว่านั้นฉันจะขอเวลาดูต่อไปอีกนานพอสมควรรูปสมบัติมองดูปราดเดียวก็รู้แต่คุณสมบัติต้องใช้วเวลาดูนานๆหน่อยหวังว่าเธอคงเห็นใจฉันนะคะข้าแต่แม่เจ้าดิฉันขอแจ้งข่าวอันยิ่งใหญ่ให้ทราบข่าวอะไรสวรรณนา ดิฉัก็ถือกระหอบมาทีเดียวมีข่าวอะไรล่ะดิฉันได้พบเรวัตะพบเจืวตตะพบเพื่อวัตตะอีกนิดหน่อยสุวรรณนาถูกแล้วแม่เจ้าดิฉันพบเรวัตตะพบเพื่อวตตะที่ไหนบอกที่เมืองเร ว, วัตสนะุวรรณนาดิฉันพบเรวตะที่บุกผาตามป้ายประตูเมืองด้านทิศตะวันออกดิฉันพบขณะที่ท่านกําลังออกบิณฑบาต เพิ่งจะกดรอยตามท่านไปห่างๆจนถึงกุฏิของท่านที่บุกผาดามจีิงเหรอเนี่ยสุภนาจริงสุขาแม่เจ้าพี่ดีใจจริงๆอ๋ อ, อขอโทษนะสวรนณะพี่ให้เธอเนื่องนื่องอยู่ตามลําพังไม่เป็นไรแลนะที่สุดความจริงก็เปิดเผยตัวมันเองออกมาฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เอกว่าหัวใจของเธอเป็นของคนอื่นล้วเธอรอให้ฉันคอยเป็นเวลานานเพียงเพื่อจะแกล้งทรมานเธอเล่นเทะนะั้นลาก่อน ว่าหลังพกนันอ้าวจะกลับเดนเหรอสุวัฒนากลับแล้วแม่ ทำไมกลับเร็วนักล่า ว, วันนี้เอ๊ะดูหน้าตาจะไม่สบายมีเรื่องอะไรกับลีลาวดีอีกละ่ะไม่มีอะไรหรอกแม่เอ่ข้าพเจ้าขอถามอะไรแม่หน่อยถามอะไรถามมาเลยมีอะไรบอกได้แม่ก็จะบอกแม่บอกได้แน่เพราะเรื่องนี้แม่ต้องรู้ดีข้าพเจ้าอยากทราบว่าเรวัตตะคือใครเรวตัตตะ เรื่องเรวตะที่พยายามปกปิดมานานนักหนาแล้วนะสิเห็นทีลีลาวดีต้องเป็นคนบอกเรื่องนี้ให้สุวัฒน์ละกุลถูกนั่งลูกข้าลายยศพอจเผยความได้ให้เขาฟังหมกแนละ้วกิจพยศชื่อเสียงงมงกระกูลสิ้นสุดเรื่องคลาวนี้เองว่าไงแล้วแม่บอกข้าไปเจ้าที่ว่าเรวตะคือใครเออใครเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้เจ้าฟัง บอกแม่สิสุวัฒนะแม่จะรู้ไปทําไมแม่อยากรู้ใครบอกข้าพเจ้าไม่บอกจนกว่าแม่จะบอกข้าพเจ้าว่าเรวัตะคือใครลีลาวดีเป็นคนบอกเจ้าใช่ไหมแม่อย่าเดาเยไม่ถูกหรอกลีลาวดีไม่ได้บอกนั้นใครบอกก็บอกแล้วไงแม่ต้องบอกข้าพเจ้าก่อนเรวัตะคือใครเออเออเออแม่จะไม่บอกข้าพเจ้าก็ได้ความจริงข้าพเจ้าทราบเรื่องนี้มาเกือบตลอด เพียงแต่ทดลองใจแม่ดูเถิดทดลองใจแม่ถูกแล้วเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าแม่ร่วมมือกับลีลาวดีเล่นละครกับข้าพเจ้าหลอกข้าพเจ้าอย่างชัดชัดถ้าข้าพเจ้าทราบตั้งแต่แรกว่าลีลาวดีมีคู่รักอยู่แล้วข้าพเจ้าจะไม่ลงทุนลงแรงมาติดต่อเลยตอนนี้แม่ปกปิดไว้ไม่ให้ข้าพเจ้ารู้เพื่อจะแกล้งข้าพเจ้าเล่นสนุกสุกเท่านั้นเดี๋ยวก่อนสวัฒนะเจ้ากำลังเข้าใจแม่ผิดข้าพเจ้าน่ะหรือเข้าใจผิด เจ้าเข้าใจผิดจริงๆนะแม่ไม่เคยมีเจตนาเท่านั้นเลยเจ้าปรักปรามเกินไปความจริงแม่ไม่มีความผิดในเรื่องนี้แม่ตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะเล่าให้เจ้าฟังแต่มันก็ยังไม่ได้เล่าทำไ ม, ม่ถึงไม่เล่าเพราะแม่คิดว่าแม่คิดว่าอะไรแม่คิดว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะใจลีลาวดีได้แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถเอาชนะได้เพราะลีลาวดียังคิดยังฝันลมล่องแรงอยู่อย่างเดิมเอาล่ะ แม่จะเล่าความจริงให้เจ้าฟังเดี๋ยวนี้ล่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรื่องเป็นอย่างนี้ลหละสุวัฒนาเข้าไปเจ้าพึ่งกระจายทีนี้ออืม แม่เองก็ได้พยายามทุกพิถีทางแล้วที่จะให้ลีลาวดีเลจากพระเรวตะซะแต่ลีลาวดีก็ยังหลงรักพระรูปนั้นยังลืมหูลืมตาไม่ขึ้นจนแม่น่หมดปัญญาไม่ทราบว่าจะทํำยังไงดีมหมายความว่าอุปสรรคขวางทางยี่ิตเข้าไปเจ้าอยู่ที่เรวตะคนนั้นถูกแล้วไม่มีพระเรวตะเสียคนเดียวทุกอย่างก็ราบรื่นเออะเรื่องนี้แม่ไม่ต้องเป็นห่วง ไว้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเองเจ้าจะทําอะไรเหรอสุวัฒนะแม่คอยดูก็แล้วกันข้าพเจ้าจัดจัดการยังไงกับพระรูปเนี่ยข้าพเจ้าลาก่อนขอให้โชคดีนะสุวัฒนะข้าพเจ้าต้องโชคดีแล้วก็ทํางานสำเร็จด้วยเนี่ย จงรักเพืดีต่อท่านเพียงได้ลีลาวดีไม่เคยทรยศต่อท่านแม้ด้วยความคิดแต่แม่ก็พยายามบังคับให้ลีลาวดีแต่งงานกับสุวัรณนากรมารให้ได้ลีลาวดีก็ไม่ใจเหลือเกินถ้าท่านยังสงสารลีลาวดีอยู่ก็ขอให้เร็กตัดสินใจช่วยโดยเร็วที่ท่านจะปล่อยให้ลีลาวดีตกอยู่ในกรรมือของคนอื่นอย่างนั้นหรือคะ สกติข้าพเจ้าเป็นคนใจแข็งแต่เมื่อเห็นหน้าลีลาวดีและได้ฟังคำพูดของเธอก็กลายเป็นคนใจอ่อนสงสารลีลาวดีอย่างจับใจท่านค่ะศึกเสจจค่ะนะคะ่ะศึกเหรอเธอจใจอาตมาศึกค่ะศึกแล้วไปอยู่กับลีลาวดีเราจะมีความสุขอยู่ด้วยกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ไม่ีอะไรจะมาพรากเราจากกันได้รับปากกับลิลาวดีสิคะว่าเธจะสึกอัตม า, าที่นบอกสิคะว่าจะสึกลิลาวดีจะได้ดีใจเมื่อกี้นี้เกือบจะรับปากกับเธอแล้วสิก็จะลาสิดขาดีแต่ว่ายับยั้งไว้ได้ถึงแม้จะไม่ได้พูดออกมาทางวาจาแต่ใจนั้นรับอย่างเต็มที่ ไม่สามารถจะทนเห็นดิลาวดีเป็นทุกข์ทรมานเพะการรอคอยต่อไปได้ทำไมท่านไม่รับปากแล้วคะอย่าให้อัตมารับปากเลยดิลาวดีทำไมละคะอัตมายังไม่อยากจะรับปากเท่านั้นถ้าเช่นนั้นท่านก็ไม่เต็มใจนะสิอัตมาเต็มใจแต่อัตมายังไม่อยากจะรับปากท่านยังไม่รับปากตอนนี้ก็ไม่เป็นไรขอให้ท่านกลับไปเชตาวนารามก็แล้วกัน จะได้อยู่ใกล้กันหน่อยลีลาวดีจะได้สุขใจแม่ค่าท่านข้อนี้อาตมาไม่ขัดขอ้องอาตมาจะกลับไปที่เชตาวนารามลีลาวดีดีใจมากคะ่ะกลับไปพร้อมลีลาวดีเลยนะคะกลับไปเดี๋ยวนี้เลยอย่างก่อนอาตมาจะยังกลับเดี๋ยวนี้ไม่ได้เธอกลับไปก่อนเถอะแล้วท่าจะกลับไปเมื่อไหร่คะพรุนี้เช้าอาตมาถึงจะกลับจริงนะคะ ที่อาตมาพูดนี้เป็นความจริงถ้าอย่างนั้นลีลาวดีขอลา ก, ก่อพรุ่งนี้ท่านไปแต่เช้านะคะอาตมาจะไปแต่เชา้าลีลาวดีไปแล้วคะ่ะ เราคิดหนักตามเคยความสงบสุขภายใต้ร่มกาสาวพัตถ์หุนกลับมาทําให้ลังเลใจอีกแต่ความสงสารลีลาวดีก็สามารถปราบมันลงได้ตัดสินใจอย่างกล้าหาญอีกครั้งหนึ่งจะต้องสึกไปร่วมชีวิตกับลีลาวดีสุวัฒนากุมารมีส่วนช่วยในการตัดสินใจครั้งนี้อย่างสําคัญถ้าเขาไม่มาแทรกในเรื่องของเรา เราก็ยังไม่อาจจะตัดสินใจได้คนเราก็แปลกเมื่อยังไม่มีคู่แข่งทําอะไรก็เฉยเฉยนเนืเนยพอมีคู่แข่งก็ดขูขึงขังเอาจริงเอาจังขึ้นมาความรักก็วนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเนื่องจากว่ามีคู่แข่งขันนี่เองเห็นจะต้องขอบคุณสุวัฒนกุมาร อาจารย์อ๋อรีวตับมาเมื่อไรอะข้าพเจ้าออกเดินทางแต่ชาตรูเพิ่งจะมาถึงเดียวนี้เองชื่นใจจริงๆที่ไม่เห็นพระเชตาวนารามต้นวสันตรดูชุม่มชื่นรื่นรมน่าอยู่มากนะอาจารย์จริงทีเดียวน่าอยู่มากต้นไม้ทุกต้นกำลังสลิ ด, ดอกออกช่อสพร่งพระภิกษุสงฆ์ก็ดูคับขัน นั่นเป็นด้วยพระบรมศาสดาได้เสด็จกลับมาจากเมืองสาเกตมาประทับอยู่ประจำแล้วพระบรมศาสดากลับมา แ, แล้วล่ะนี่ข้าพเจ้าเพิ่งรู้และนี่เจ้ามาทำไมล่ะที่นี่ข้าพเจ้า เ, ออเราบอกแล้วไงว่าจะมาเพราะที่นี่จะทำให้จิตใจของแกวซึ่งเกือบสงบแล้วต้องตื่นตัวขึ้นมาอีกซึ่งไม่ใช่ผลดีกับเจ้าเลย ทางที่ดีแล้วควรกลับไปซะเรยวตัตถข้าพเจ้าตั้งใจกลับมาอยู่ที่นี่กลับมาอยู่ที่นี่ถูกแล้วท่านอาจารย์ข้ า, าพเจ้าไม่กลับไปบุพภารามอีกแล้วทําไมล่ะเรวตะ์ข้าพเจ้าอยู่ที่โน่นจิตใจไม่สงบเพราะอะไรจิตใจข้าพเจ้าเกิดกังวลขึ้นมาอีกอยากจะกลับมาประจําอยู่ที่เก่าคิดดีแล้วเหรอเรวัตถข้าพเจ้าคิดดีแล้ว อาถ้าเช่นนั้นก็ตามใจไปพำนักอยู่ที่เก่านั่นแหละข้าพเจ้าขอลาแล้วข้าพเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนท่านอาจารย์ทันทีที่ข้าพเจ้าว่างและมีปัญหาเรายินดีที่จะให้คำแนะนำทุกเวลา ก่อนจะกลับไปที่พมนักแต่แวะเยี่ยมพระสุมนัตซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่คราเป็นโจรเพื่อนเก่าแก่ที่จากกันไปนานๆเมื่อกลับมาพบกันอีกก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันได้เล่าเรื่องภายในใจให้เพื่อนฟังอย่างไม่ปิดบงังทั้งบอกความตั้งใจที่จะฝึกด้วยสหายนั่งนิ่งฟังอย่างสนใจไม่ออกความคิดเห็นใดๆ เรื่องเป็นอย่างนี้แหละสหายเห็นทีชีวิตในพระาศาสนาของข้าพเจ้าคงสิ้นสุดลงค่านี้อย่างแน่นอนสหายละ่ะยังมั่นคงต่ออุดมคติแห่งพระาศาสนาดีอยู่เหรอเวลานี้ยังมั่นคงดีอยู่แต่ต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่ถ้าจิตใจยังอยู่ในสภาพอย่างนี้เรื่อยไปข้าพเจ้าคิดว่า พอจะบูตถวายแก่พระศาสนาได้เป็นการดีแล้วเทพเจ้าขออนุโมทนาขอถามหน่อยเถอะสหายเจริญด้วยธรรมะอะไรเป็นประจำจึงมีจิตใจมั่นคงดีเช่นนี้ตามปกติเาพเจ้าเจริญมรณะสติความตายถูกแล้วมันละลึกถึงความตายคือให้ชีวิตเป็นของน้อยชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตาย ชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตายนั่นเป็นสิ่งแน่แท้แน่นอนทุกคืนที่ผ่านไปคือก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งที่นำเราใกล้ความตายเข้าไปทุกทีเมื่อตายแล้วก็จะต้องเกิดอีกเกิดแล้วก็ตายอีกเราจะเกิดตายอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่ากี่แสนชาติเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดถูกแล้วภาวาการอันซ้ำซากอย่างนี้ เป็นของหน้าเบื่อน่ายสำหรับพระอริยเจ้าท่านจึงคิดหนีไปซะจากการตายและการเกิดไอไม่รู้จักสิ้นสุดนี้เมื่อข้าพเจ้าคิดตามแนวนี้ก็เริ่มเห็นว่าชีวิตเป็นของน้อยจริงๆระยะหกสิบปีหรือเจ็ดสิบปีที่เราอยู่ในโลกนี้ถ้าจะเทียบแสนแสนชาติที่เราเคยเกิดมาและอีกั้งแสนชาติที่เราจะเกิดอีกต่อไป ก็เท่ากับระยะทางหนึ่งเก้าในแสนโยน์เท่า น, นั้นเองชีวิตนี้จริงน้อยเกินไปสำหรับข้าพเจ้าไม่พอที่จะเจดเอาไปหาความเพลิดเพลินจากโลกียสุขข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะรีบเร่งต่อไปให้ถึงจุดหมายอันยิ่งใหญ่คือพระนิพพานสทีจะได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดอันน่าเบื่อหน่ายนี้สหายคิดชอบแล้วแต่ข้าพเจ้าท่านทาไม เรวัตเาพเจ้าเห็นจะต้องตกเป็นธาตของความเบียนยวายตายเกิดไปอีกนัดทำไมละ่ะเพราะจิตใจยังเป็นห่วงโลกอยู่มากเฉพาะอย่างยิ่งเาพเจ้าหลงไหลใฝ่ฝันในสตรีเพศเป็นที่สุดเาพเจ้าเองก็เคยหลงไหลแล้วท่านคิดอย่างไงเาพเจ้าคิดถามตัวเองว่ากา